ر ับชั่วของฉัน ي ึ่งฉันพูดและสิ่งที่ฉันทำไม่มีใ ق รส ي มา ل ถทำได ن มากกว่าฉันพระเจ้า ا อให้เรา ل ด م รับ ل ารอภ ا ยเมื่อเราต้องการอาหารและพระเจ้าทร ا ให้เราได้รับอาหารที่ดีและง ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮซุบฮานหวตาอลาประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนกุรอา่านทุกๆ ท, ท่านโชคต่อัลลอสซุบฮานหวตาอลาที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาพบเจอกันแม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้าง นะครับวันนี้หลายๆคนเช้ามาก็จะเห็นว่าถนนหนทางเนี่ยมันเชิะแฉฝนตกที่นี่ไม่รู้เป็นไงนะแต่ที่น้องจอกเนี่ยตกทั้งคืนเลยทั้งคืนเลยมาหยุดตอนสูโบุแป๊บหนึ่งแล้วก็มาตกตอนจะออกมาเหมือนกันใช่ไหมไม่ตกใช่ไหมตอนนี้น้องจอกไกลท่วมละก็มาได้เพราะออกตกตั้งคืนเลยเมื่อคืนนะ เดแล้วแต่ว่าตรงนี้ยังคืมคืมอยู่นะ <c oughs> จะฝนตกแดดออกร้อนนะก็ถือว่าอ่าเอาล็อตทดสอบแล้วก็ถ้าเกิดความลำบากในการเดินทางให้พี่น้องเข้าใจว่าเอาล็อจะเพิ่มผละบุญให้นะะวันนี้อาจจะเฉาแชะหน่อยก็ เอา ล, ล็อเพิ่มผลบุญให้ในความพยายามความสอบบัสของพวกเราวันนี้ถึงอายะที่147นะครับในช่วงท้ายแล้นะแต่ก็คงยังไม่จบเพราะว่าถ้าจบเนี่ย165นะ165ถ้าอ่านยังเดียวนะจบแต่ถ้าแปลด้วยตับซีดด้วยอธิบายด้วยก็ต้องใช้เวลานะเพราะว่ามีอายะบางอายะที่พูดถึงเรื่องของคำสั่งใช้ ท <ns> ี่สำคัญนะในอิสลามของเรานะอายะที่หนึอยี่สิบเจ็ดฟาอิกะดะบูกะฟาคุรอบบูกะซูรอห์มวอ่ะเดี๋ยวเริ่มฟะตีฮะก่อนอัลลอฮฺบิลเลาะห์มิเนาะชันรร ب سم الله الرحمن الرحيم ر l h ِ m d u l i l ا ل h م r ل b b i l a l a m i م อรห์มานีอูรหิม Miliki Yaumidin. d Ia y kanabuduwa, Ia y kanastain. i k h d i n a s s i r a t a l m u s t a q i m สิร ط ต الذين أنعمت عليهم غير المضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن كذبوك فقر ربكم ذو رحمة واسعة ว่าแล้วจะรับดูเบสุห์อันอิลกอุมิลมุจิร ر มินอ่ามาดูความหมายนะฟาอินแปลนีตรงนี้แปลว่าถ้าหากว่า ดังนั้นหากว่ากัซบูกาพวกเขาก็คือพวกมุชริกีนเนี่ยพราะตอนนั้นเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะว่าซูรออัลอันอามเป็นซูรอที่อัลลอประทานมาในช่วงที่นบียังไม่ได้อพยพดังนั้นในอายะนี้จะพูดถึงพวกเขาก็หมายถึงพวกที่ตั้งพาคีพวกที่กราบไหว้จเจวิต นะแล้วก็มีพฤติกรรมที่อ้างถึงอัลลอฮ์แต่ว่าไม่ได้มีการสั่งใช้จารอเช่นเรื่องของการเชื่อดสัตว์ในการบูชาเจาเว็ตหรือใช้เจเว็ตนั้นเป็นสื่อกลางไปถึงอัลลอฮ์ในอายะนี้บอกว่าหากพวกเขาก็คือพวกมุสลิมพวกที่ตั้งภาคีเนี่ยปฏิเสธเจ้าปฏิเสธเจ้าก็หมายความว่าไม่ได้เชื่อฟัง ไม่ได้รับไม่ได้ไม่ได้ยอมรับในคำสอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุวาลัยฮิวะเซ็นลำนำมาบอกฟักุสรับบุกุมก็จงกล่าวเถิดว่านให้นบีกล่าวตอบพวกเขาไปเลยว่าไงพระผู้อภิบาลของพวกเจ้านั้นก็คืออัลลอฮสุบฮานะหัวตาลาเนี่ยซูรอห์มาติว เป็นผู้ทรงเอ็นดูเมตตาวาเสียและก็เป็นความเมตตาอันกว้างขวางวาเสาก็คือเปิดให้กว้างเลยอ่าและก็บอกต่อว่าวาลาอูรดูบะซูฮูและการลงโทษของพระองค์นั้นเนี่ยจะไม่ถูกโต้กลับคำว่าโต้กลับคล้ายๆกับสำนวนของดูอานะลายรุษ ดูอาจะไม่ถูกตีกับหมายความว่าไงแปลว่าถูกรับอย่างแน่นอนตรงนี้ก็แปลว่าการลงโทษของอัลลอฮ์เนี่ยจะถูกจะลงโทษอย่างแน่นอนมีมาอย่างพวกเจ้าอย่างแน่นอนอานิ่นเกมลมินมุจริมีนลงโทษการลงโทษของอัลลอฮ์เนี่ยให้กับพวกไหนพวกที่มุจจริมมุจริมก็คือคนที่เป็นอาชญากรคนที่ทําผิดนะคําว่าอ อยู่รถดูก็หมายถึงว่าการลงโทษเนี่ยจะไม่ถูกปัดให้พ้นไปกับคนที่เป็นคนที่ละเมิดคนที่ทำผิดต่อร้ออย่างแน่นอนนะซึ่งอายะในสำนวนแบบเนี้ยที่ต้นพูดถึงความเมตตาแล้วก็ในตอนท้ายพูดถึงอดาดับจะมีไม่ค่อยเยอะส่วนใหญ่อายะเนี่ยจะแยกกันเลยอายะไหนที่เป็นเมตาก็เป็นเรื่องของเมตตาอันไหนที่เป็นอายะเกี่ยวกับลงโทษก็ ลงโทษแต่ในอายะฮ์เดียวแล้วก็พูดถึงในความเมตตาด้วยและก็ ก, การลงโทษด้วยเนี่ยมีไม่เยอะในนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นซูรออันอันอามอายะฮ์ที่1 6ึ่้อยหกสิบหาอั์บอกว่าอินนารบบกกัสซารีอุลไอคอฟแท้จริงพระผู้บิบาลของเจ้านั้นเนี่ยเป็นผู้ทรงรวดเร็วในการลงโทษว่าอินนหูและกอฟูรุรอฮีมและแท้จริงพระองค์นั้นก็ทรงอภัยโทษและทรงเมตตามันเหมือนจะขัดกันนะ แต่แน่นอนว่าคนชั่วไม่ลอยนวนถูกลงโทษแต่คนดีๆทั้งหลายอัลลอฮ์ก็ทรงเมตตาและอีมุมหนึ่งก็อาจจะมองได้ว่าการลงโทษของอัลลอฮ์มีอย่างแน่นอนแต่ถ้าเรากลับเนื้อกลับตัวละ่ะเราเคยทำความชั่วมาเยอะแยะเลยแต่วันหนึ่งเราพอแล้วเราหันหลังให้มันแล้วถามว่าอัลลอฮ์พร้อมที่จะให้อภัยไหม พร้อมเสมอประตูนในการให้อภัยของอัลลอฮ์เปิดกว้างเสมอแต่ถ้าเกิดเรายังดื้อยังดึงดันที่จะดำความชั่วต่อไปแน่นอนว่าอัลลอฮ์ก็ไม่ทรงเมตตาเราก็ทรงลงโทษเรานะมีอีกในสุรอะรอว่าอินนารบบกะละดูมักฟิรติลลินนาสียและดุลมีมหิมและแท้จริงพระผู้วิบาลของเ <c oughs> จ้าเนี่ยผู้ทรงอภัยโทษแก่มนุษย์ะต่อการ และต่อการอาธรรมของพวกเขาอาภัยโทษแก่มนุษย์และการทำผิดต่อพวกเขาอ่าแล้วเราบอกว่าอินรนรอบบกาลาชาดีดุนยนะก็และแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงลงโทษอย่างรุนแรงนะนี่คือในอายะเดียวเนี่ยพูดถึงทั้งเมตตาแล้วก็การลงโทษนะครับซึ่งในเนี้ยเขาบอกว่า มักจะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแยกออกไปเลยเรื่องเมตตากับเมตตาพอบทที่อรรถจะพูดถึงการลงโทษก็แยกมาเลยนะแต่ในมุมตรงนี้เองก็เข้าใจได้เลยว่าการลงโทษของอรรถเนี่ยสำหรับบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับส่วนใครที่ไม่อยากจะได้รับการลงโทษก็ไม่ได้ว่าปิดประตูตายตัวเลยก็คือยังเปิดโอกาสให้มีการกลับเนื้อกลับตัวตาบัดตั ว, ต ว, ตวด้วยนะครับ อ่ต่อมาอายะห์ที่หนึ่งรสี่สิบดเดี๋ยวจะอ่านทั้งหมดสามอายะห์เลยนะครับ <c oughs> จบที่หนึ่งรอยห้าสิบเอ็ดอ่าห้าสิบขอโทษทีถน่งรอยห้าสิบนชา اللهم اشركنا، سيقول للجاء أشركوا ل ي ا اللهم اشركنا، ولا. ولا حرمنا من شيء, ولا ولا من شيء. كذلك كذب الذين من قبل ه م ح ى แต่ดักูบาสนาคุลฮัลอิลดาคุมมินอิลมิฟตุกริจูฮุลนา <س> إ ِ ن تَتَّبِعُونَ إِلَّا ا ل ظ َ ن ن َ وَإِنْ أَتُمْ إِلَّا تَخْرُسُونَ ق ُ ل فلله الخدجة ُ البالغة، ف ل َ و ش ا ء ا ل َ ه دكم ُ أجمعين. َ قل هلم شهداء قوم الذين يشهدون أن الله حرام هذا فَإِنَّ شَهِيدُ و ا ف َ ل َ ا ت َ ش ْ ه َ د ْ مَعَهُمْ وَلَتَتَّبِعَ ا ْ أ ه ْ و َ الَّذِينَ ء َ ا كَذَبُوا ّ بِآياتِنَا َ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ มาดูความหมายนะครับคนเราเวลาทำผิดโดยธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทำผิดมักจะแก้ตัวกี่บอกแก้ตัวเวลาทำผิดมักก็จะต้องแก้ตัวหรือพยายามเบี่ยงเบนประดินหาข้ออ้างต่างๆมาเพื่อให้ตัวเองเนี่ยพ้น ผ, ผิด หลีกเลี่ยงแก้ตัวหลายคำนะและแน่นอนว่าคนที่ทำผิดมักจะปกปิดปิดบงังซ่อนเด้นอำพางอันนี้เป็นหลักปกติเลยนะเวลาเขาฆ่าคนตายเขาก็จ้องพยายามเบี่ยงเบนประเด็นดึงสร้อยไปให้ถามว่าชิงทรัพย์อาจจะเป็นเรื่องอื่นอาวากันไปกรนีคนที่ทำผิดเนี่ย แล้วก็อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาแล้วก็ทรงรู้ดีอยู่แล้วว่าพวกนี้ต้องอ้างอ้างแบบนี้แน่นอนอ้างยังไงอ่ะเซยากูรุนและดีนะอัชรอกูบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีนั้นจะกล่าวว่าจะกล่าวว่าอะไรเราอัลลอฮ์หากอัลลอฮ์ทรงประสงค์แล้วแล้วละก็มาอุช มาอัชรอกนาววลาอาบาอุนาหากอัลลอฮประสงค์แล้วพวกเราก็คงไม่มีการมาตั้งภาคี ه, และก็รวมถึงบรรพบรุษอาบาก็หมายถึงปู่ย่าตายายด้วย ه, อันนี้คือการโยนความผิดที่ตัวเองทำนะให้กับใครให้อัลลอฮเลย อันนี้นี่ต้องตนะ้องดับเบิลนงไอ้พวกเนี่ยเหมือนสมัยท่านอุมัตบินคอตอปโรดิยอลลูอันฮูดูท่าวระรอะดีที่ไหนได้กินเหล้าพอเมามากินละมุดออกก็ถูกจับมาพอจับมาท่านอุมัตก็สอบว่าทําไมกินเหล้าเขาบอกอ๋ออัลลอฮ์บันทึกให้ฉันกินเหล้าอ่าโทษอัลลอฮ์เลยว่าอัลลอฮ์เนี่ยบันทึกให้กินฉันก็เลยทําตามที่พระองค์ประสงค์เลยกินเหล้า มีหรอมีคำสั่งข้อไหนอัเอาลอให้กินเหล่ามีมัม้ยไม่มีนะมีแต่เอลลาลอให้ห่างไกลดังนั้นอุมัติก็เลยบอกเอางั้นดับเบิ้ลไปอีกอีกสีโดนเครียนนะสีสิบ 40. ข้อหากาลกาลร้ายกับอั ล, ลาอีกสี่สิโดนไป80ทีนะดังนั้นถ้าหากว่าไปยืนต่อนหน้าอัลอแล้วบอกว่าอ๋ อ, อลอกำหนดให้ฉันตั้งพาคีไม่มีเลยนะไม่มีคำสั่ง ในกุรรณาในหะดิษบอกให้ตั้งภาคีไม่มีมีแต่บอกให้ออกห่างแต่คนที่ไปตั้งภาคีก็คือตัวเราเนั่นแหละอัลลอฮ์ไม่ได้ใชใ้เราตั้งภาคีแต่ไปอ้างางั้นไม่ได้ว่าอาบาอูนาแล้วก็บัรผบุรุษขณะที้บนรนผบุรุษเนี่ยต้องแยกกันหนึ่งถ้าบัรผบุรุษศา ส, สนาไปไม่ถึงเขาก็รอดไปเพราะถือว่าอัลลอฮ์ไม่ลงโทษบุคคลที่ ศา ส, สนาไปไม่ถึงนะแต่ถ้าเกิดศาสนาไปถึงแล้วแล้วก็ยังดื้ออีกก็ไม่ต่างอะไรกับคนรุ่นปัจจุบันก็โดนไปด้วยอันนี้ขอหารู้และไม่ทำนะเวลาฮัทรมนามินชัยและก็รวมถึงข้อห้ามต่างๆด้วยอย่าว่าแต่พาคีเลยเรื่องกินเหล้าเรื่องนู่นเรื่องนี่ที่เป็นข้อห้ามที่ศาสนาเนี่ยถ้าเอารอบประสงค์เราก็คงไม่ได้ไปทาแน่นอนนะ แกเรียกะซับบัลลีน่ะมีกบลีหิมในทํานองนั้นแหละบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้านี้ก็เคยอ้างเหมือนกับพวกนี้นั่นแหละก่อนที่อัลลอฮ์จะลงโทษถามว่าทำไมทําล่ะอ้างเลยว่าอัลลอฮ์ประสงค์อัลลอฮ์กำหนดสุดท้ายแล้วพวกนี้ก็คือพวกที่โกหกเคยโกหกมาก่อนหน้านี้แล้ว นะจริงๆคืออยากจะทำนั่นแหละไม่เกี่ยวหรอกอยากจะทำใจมันอยากจะทำนะจนกระทั่งพวกเขาเนี่ย The g u b a นาลิมลดของการลงโทษจากเรากุลฮัลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่ากล่าวว่าไงอินดกุมมินอินมิวมินอินมินฟาตุเครจูฮุลนาน จงกล่าวเถิดมูฮัมมัดว่าที่พวกเจ้านั้นน่ยมีความรู้ประการใดกันนั้นหรือมีความรู้เรื่องศาสนาอย่างไรหรือที่ไปกําหนดกฎเกณฑ์ที่เอาล็อกกาหนดไว้แล้วว่าสัตว์เนี่ยเรื่องศาตว์นาที่ผ่านมาแล้วเนี่ยสัตว์แบบนี้ต้องให้ห้ามไปขี่มนันนะต้องเลี้ยงให้ดีแล้วก็เชืิดถวายเวิตไปกําหนดกฎเกณฑ์เนี่ยเอาความรู้มาจากไหน ไปกำหนดนั่นไปกำหนดนี่ผู้หญิงห้ามห้ามกินผู้ชายกินได้อย่างเดียวนมห้ามผู้หญิงกินให้ผู้ชายกินได้อย่างเดียวไปกำหนดต่างๆเอาถ้าเป็นลูกสาวอายมีลูกสาวอายเอาไปฆ่าถ้ามีลูกชายถ้าจนมากขาทิ้งเอาอะไรมากำหนดเนี่ยมีความรู้อะไรในเรื่องศาสนามากำหนดนบีถามฉะนั้นพวกเจ้าจะต้องนามันออกมาคือนาอะไรนำหลักฐานมาสิ นำหลักฐานมาว่าที่บุ่านปฏิบัินี้เนี่ยมาจากอัลลอสซุบฮานะฮุวาตาลามีคำสั่งจากอัลลอหรือไม่ อ, อินตตะบิอูนอิลลนฉะนั้นแลว้วพวกเจ้าจะต้องนำมันออกมาแก่เราพวกเจ้าจะไม่ปฏิบัติตามสิ่งใดนอกจากหมายถึงพวกมุช่ที่ทำทุกมลเนี่ยที่เป็นความชั่วนะที่ปฏิบัินี้เนี่ย อิและซอนแปลว่าอะไรจากการซอนเท่านั้นแหละซอนก็หมายถึงคาดคะเน่ดาวเอานะซึ่งอิสลามเราเนี่ยไม่มีเดาวนะพี่น้องเราต้องอย่เกินมั่นใจละหมาดเนี่ยจะไปดาวดาวเอาไม่ได้น่าจะได้แหละไม่ได้แหละไม่ได้ต้องหาความชัดเจนว่าต้องทําแบบนี้อย่างงี้ทําด้วยความมั่นใจจริงไหมศา ส, สนาเนี่ยถ้าทําแล้วยังไม่รู้สึกมั่นใจนี่แสดงว่าไม่ใช่ละต้องทําแบบมั่นใจเลยว่าเนี่ย คือสิ่งที่ถูกต้องนะข้อนี้มันก็ต้องไปเรียนไงว่าไอ้ที่มาเนี่ยมันมาจากบรรพบุรุษคิดมาเองเปล่าหรือมาจากกีตาบุลล์มาจากซุนนะฮานาบีแล้วเวลาคนตามตามซุนนะฮานาบีเนี่ยไม่มีคําว่าไม่มั่นใจมันมั่นใจเพราะว่ามันไปถึงตัวบทหลักฐานมีหลักฐานบอกมีฮะดิษบอกมีกุราณานมีกุรอานบอ ก, ม, ก, บอกมีหะดิษบอกนะอันนี้อันนี้ก็เป็นหลักคิดอย่างหนึ่งนะว่าถ้าเราทําศาสนาแล้ว ร, รู้สึกว่า มันใช่ไหมเนี่ยก็ให้ไปหาความรู้อ่าถ้าเราทำและมั่นใจเลยแล้วมีหลักฐานฟังมาแล้วเนี่ยมีหลักฐานเจอชัดๆเลยตัวบทนั่นแหละคือสิ่งที่เรามั่นใจนะแลสะศาสนาก็ไม่ให้อยู่บนความสงสัยด้วยให้ทิ้งความสงสัยไปสู่สิ่งที่ไม่สงสัยเอาต่อมาเอ่อว่อ um ินันตุมอินละตักรูสูน ไอ้ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันก็มาจากการคาดคะเนเท่านั้นแหละแลโพเจ้าไม่มีอะไรกันนอกจากกาวเท็จเท่านั้นนะกาวเท็จขึ้นมาอุปโลกขึ้นมากุลจงก่าวเถิดมุฮัมมัดว่า فال ิลล่ะฮิฮุจจัตุลบาลีก oh ็จงกาวเถิดมุฮัมมัดว่าอัลลอ์นั้นมีหลักฐานทุกอย่าง ฮุจ้าแปลว่าหลักฐานบาลีกบาลีกก็หมายถึงเป็นหลักฐานที่เราสามารถจะพิสูจน์ได้บาลีกชัดเจนบาลีก็มันมาถึงเราไม่ได้แบบมาแบบขาดขาดให้หายจริงๆนะศา ส, สนาเนี่ยกุรอ่านมาเนี่ยไม่มีเลยที่เราจะสงสัยสักอายะหนึงว่ามันใช่กุดอานไหมเพราะทั้งหมดเนี่ยอย่าเก็งมั่นใจถูกสายรายงานหมดนะเราปฏิบัติศาสนาเนี่ยไม่ใช่ เดาๆเอานะแต่ปฏิบัติตามวหฮีที่พระเจ้านั้นได้สั่งใช้นะครับนั้นมนุษย์ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปกดกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องบัญญัติศา ส, สนาขึ้นมาเองอ่า น, นี้ชัดเจนเลยนะฮุจจะแปบลบว่าบารีก็คือณที่อัลลอฮ์นั้นมีหลักฐานที่ชัดเจนทุกอย่างหากพระองค์ทรงประสงค์แล้วละก็ ฟาลาุชาและฮาดาคุ้มอาจามัยน์เพระองค์ก็ย่อมให้ทางนําแก่พวกเจ้าทุกคนตรงนี้เองเนี่ยถามว่าก่อนหน้านี้อัลลอฮ์สร้างมาริการ์มาเนี่ยก็เอาแบบไม่มีดื้อเลยนะมาริการ์นี่คือปฏิบัติตามอัลลอฮ์ทั้งหมดอ่าไอเชยตอนนี่ก็ตั้งตัวเป็นปฏิบัติเลยมนุษย์ก็อยู่กลางๆนี่แหละอ่ามีทั้งเชื่อมั่งเดี๋ยวมีผิดเดี๋ยวมีถูกดังนั้นเนี่ย ไม่ใช่เกินกว่าอำนาจขอร้องที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยเป็นมุสลิมทั้งโลกกระทำได้อ่าทําได้แต่อะไรแหละจะเป็นบททดสอบเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราเนี่ยจะดีจริงไม่ดีจริงอเหมือนกับเหมือนกับครัวนะถ้าแกจะสอบนักเรียนนะ่ะบอกข้อสอบหมดมันก็ไม่เด็กสอบเลยเดินมาถึงกับกากระไก่นะขอใครขอควาโอ้โหอะไรนะผ่านทั้งห้องเลยโอ้ยฉันภูมิใจจังเลยฉันสอนเก่งไม่ใช่อะ่ะแกบอกข้อสอบหมดเลย มันก็ต้องรู้ว่าเด็กคนไหนมันจะผ่านไม่ผ่านเนี่ยมันก็เหมือนกับเวลาเราเราไปทําข้อสอบเด็กอะไม่มีใครเขาบอกหมดหรอกอันนี้มนุษย์นะแต่ข้อสอบขอรอดนี่บอกหมดแล้วอ่าไม่เหมือนกับมนุษย์บอกมนุษย์ไม่บอกแต่ข้อสอบขอรอดนะ่ะบอกหมดแล้วแต่มนุษย์กลับไม่ทํานั่นเองไม่ใช่ไม่บอกบอกหมดแล้วว่าทํายังไงแต่ไม่เชื่อนะนั้นเวลาพลาดมาตกนรกมาหรือตกข้อสอบมาก็ไปโทษเอาล้อไม่ได้เพราะล้อบอกหมดแล้วนะครับเอาต่อมา อายะที่หนึ่งยห้าสบจงกล่าวเถิดมฮัมหมัดกุลจงกล่าวเถิดมูฮัมมัดฮาลุมฮาลุมมะชูฮาดอาอกุมุลเดีนายชาดูนะจงกล่าวโทมัดว่าพระเจ้าว่าพวกเจ้าไม่ใช่พระเจ้าพวกเจ้าจงนำ บรรดาพยานของพวกเจ้ามายืนยันว่าบอกว่าไงอันน ah ha ั่นละฮะร์มาฮาดาว่าแท้จริงนั้นอัลลอฮ์ได้ทรงห้ามสิ่งนี้และถ้าพวกเขาเนี่ยเป็นพยานยืนยันฟออินชาฮีดูฟะลาตัชัดะมาฮุมและหาก อออ่าบอกว่าไงให้พวกเจ้าเนี่ยนําบรรดาพยายนของพวกเจ้าเนี่ยมายืนยันว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นได้ทรงห้ามสิ่งนี้และจะหาพวกเขาเป็นพยายนยืนยันเจ้าก็จงอย่ายืนยันกับพวกเขาด้วยคือจะใช้จํานวนคนมาบอกว่าไอ้สิ่งที่ทําอยู่เนี่ยมันถูกโดยเขาอะเนี่ยเขาก็ทํากันเหมือนกับพวกเราเรานะไนแต่สมั ย, ยมนี้ก็มี เฮ้ยทำไมทำอย่างนี้ล่ะโอยเขาทํากันมาตั้งเยอะแล้วเขาบอกห้ามกลับรถตรงนี้โอยเขากลับมาตั้งนานแล้วตรงเนี้ยช่างมันป้ายมันน่าจะผิดแหละ <c oughs> เ, ออเขาทิ้งขยะกันมาตรงนี้เยอะแล้วก็อย่าไปใช้ลักษณะของพรรคพวกมาบอกว่าคือหลักฐานไม่ใช่เพราะหลักฐานที่แท้จริงก็คือต้องกลับไปที่ตัวบทไงกฎหมายก็เขียนว่ายังไงก็ตามนั้นแหละอันนี้มายถึงกฎหมายมนุษย์นะแนแต่ถ้าเกิด เรื่องศาสนาก็ต้องกลับไปที่กิตาบุลล์แล้วกับซุนนะนบีว่าอย่างไงไม่ใช่ว่าเอาพวกมาทาเขาทํากันมาตั้งนานแล้วก็ทำมาตั้งเยอะแยะมันจะผิดได้ยังไงล่ะ ก, ก็ผิดไงผิดนะไม่ใช่ดูว่าทํามาเยอะแล้วไม่ใช่ดูว่าทําตรงกับที่ศาสนาบอกไหมนั้นเจ้าอย่าไปยืนอยู่กับพวกเขานะและก็อย่าตามอารมณ์ไฟต่ำของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธอายะทั้งหลายของเราอ่า ا أ ي ي และทัตตบีอ่ะและผู้ที่ไม่ได้ศรัทธาในวันสิ้นโลกว่าหุ่มบีรบบีหิมยาดีลูนโดยที่พวกเขาเนี่ยได้ให้สิ่งอื่นเท่าเทียมกับอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาละ นะคือให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมามีอํานาจเสมอเหมือนอัลลอฮ์เลยอ่านเคยบอกไปแล้วว่าบางคนเนี่ยก็ตั้งตนเหมือนเป็นพระเจ้ากากลๆโดยการไปกําหนดศาสนากําหนดหลักการเองว่าทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ทำอย่างนี้นะโดยที่ไม่ต้มีใครไปกราบไหว้หรอกแต่ยกคําสอนของคนคนหนึ่งที่อุปโลงขึ้นมาเหนือกว่าคําสอนของพระผู้เป็นเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นรูปแบบชิริกอย่างหนึ่ง นะแม้ว่าจะไม่ได้ลงไปกราบไหว้ก็ตามนะเหมือนที่นอสอรอและก็เยฮูดีได้ประสบกับหายนะมาแล้วแต่พี่น้องอย่าลืมนะว่าซูรออันอันอารมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยในเมืองมะ ก, กาเนี่ยยังไม่มียังไม่มีพวกเยฮูดอยู่มะ ก, กาเนีไม่มียยฮูดนะแต่รู้จักเยฮูดีไหมรู้จักแต่ไม่มีที่เมืองมาดินนะมียยฮูดมีมุนาฟิกแต่ไม่มีนสอสรอ ซอรรออยู่ที่ซอนอะอยู่ที่เยเมนน่นตอนหลังก็ยกขบวนมานะและถามว่าทิมัก้ามีอะไรก็มีพวกมุชริกเป็นหลักเลยและก็พวกกราบไหว้ดวงดาวกราบไหว้ดวงดาบูชาดวงอาทิตย์อะไรเงี้ยมีนะครับอ่ะนี่ก็คืออายาที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะครับก็ได้เห็นว่าการเผยแพร่ของท่านนาบีในยุคแรกเนี่ยก็เต็มไปด้วยกับขวากน้านะ นั้นนําเรียนกับพี่น้องว่าเวลาที่เราขับรถเราเห็นทางมันสะดวกแต่ก่อนหน้าเนี้คนที่เขามาทางแรกๆเนี่ยไม่รู้โดนอะไรบ้างหนาเกี่ยวไม่รู้ <c oughs> ก่อ จ, จะบุกทางมาถึงพวกเราเนี่ยโอโ้โหเขาอาจจะสมบุกสมบันขนาดไหนถูกทดสอบขนาดไหนนั้นเวลาที่เราขับผ่านไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องซึถึงคนนี้เขาเคยเบิกทางมาก่อนนะเหมือนที่เวลามีเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ย นบีก็จะให้สิทธิ์กับคนที่เป็นพวกอพยพก่อนเช่นเรื่องของการเป็นผู้นํานบีไม่ได้ให้อันซอดก่อนนะอันซอดเนี่ยแม้ว่าจะช่วยเหลือก็จริงแต่ว่าไม่ได้อยู่นั้นแต่ยุคร่วมบุกเบิกถูกทรมานกันมาอพยพหนีไปฮะบชาซาบานเหล่านี้เนี่ยเต็มไปด้วยกับบาดแผลวันที่อพยพมาเนี่ยแผลเต็มไปหมดแล้วแต่ชาวอันซอดเนี่ยไม่มีบาดแผลอะไรถ้าจะมีบาดแผลก็เกิดขึ้นตอนสงครามอุฮุด บ, บาดัดแต่คนเหล่านี้เนี่ย ทั้งมือทั้งโดนมาหมดแล้วบีล้านเต็มตัวหมดดังนั้นเวลานาบีนึกพูดถึงคนเหล่านี้ก็จะชื่นชมไปที่คนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับ น, นบีมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ไม่นึกถึงคนที่ช่วยเหลือนะอ่าคนปัจจุบันก็ต้องนึกถึงแต่ว่าต้องพูดถึงคนที่เขาร่วมทุกข์ร่วมสุขมาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างอันนึงนะที่ให้เรานึกถึงวเวลาอ่นสุร้อนอามก็นึกถึงคนที่ อยู่กับนบีในยุคแรกๆเลยซึ่งส่วนน้อยมากเป็นคนอ่อนแอเป็นทาสนะครับเป็นทาสส่วนใหญ่เลยเป็นคนยากจนแล้วก็ถูกถูกประนามยามเหยียดต่างๆนะซึ่งพอไปอยู่ในเมืองมดินาเนี่ยมันอีกแบบหนึ่งละแบบที่เป็นรัฐฐาน ะ, อ, ะอิสลามเป็นส่วนใหญ่ละน ะ, ะต่อมาอายุทีนะนหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดอย่างนิดนึงนะ คุณตั้งแลَ ت ْ ل ُ م َม ح َ ر َร م ม ر ร ب บบ ك ُุม عليكم อ ك ล و ا بِهِ ش ร ي ًْุ ا ال و َ ب ِ ا ل ْ و َบ ل ِ د َ ي ْ ن ِ إِحْسَانًا Walataq tulu awal dakum min im, ن a ن i ر nahu naru zukum wa iya hum. ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما باطن ولا تقتلون สัลลัติฮะรัม الله إلّا بالحق สะกุมบีละอัลละกุมตักลูนัลลัคุมสะกุมบีละอัลละกุมตักลูอ่ะมาดูความหมายของอายะที่1 0 0 51 อันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะว่านี่คือคำสั่งแรกๆเลยเป็นอิบาดาแรกๆเลยเพราะว่าถ้าพูดถึงอิบาดาที่ที่เราทํากันอยู่ในใ่วาจจการถือสินอดกด็ดีนะการทําฮัดทําอุมรอจิฮาดส่วนใหญ่นะเรื่องเรื่องการคา้าเรื่องพยานในการค้าขายเรื่องอะไรส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในช่วงหลังจาก อพยพอ่านี่คือคําสั่งแรกๆเลยนะที่มุสลิมในยุคนั้นในยุคแรกกุลจงกล่าวเติอมุฮัมมัดว่าตาเราตาเราเป็นการเรียกนะตานแปลว่าให้มามานี่มานี้อ่าตานลับหายใจหายใจต า, าก็หมายถึงมานี้พวกเจ้าจงมากันเถิดตาเราอัลลูมา ฉันจะอ่านฉันจะอ่านนะให้ฟังถึงสิ่งที่อัลลูมาฮ ร, รมารบบุกุมอาไลากุมฉันจะอ่านให้ฟังถึงสิ่งที่พระผู้อภิบาลของพระเจ้านั้นได้ห้ามแก่พวกเจ้านี่คือข้อห้ามก่อนพูดถึงข้อห้ามเพราะว่าตอนนั้นน่ไอคำสั่งใช้เนี่ย ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่เรื่องละมาดนะละมาดเนี่ยก็มามีก่อนอพยพประมาณปีกว่ากว่าปีกว่ากว่านะที่โดนละมาดห้าเวลานะแต่ก่อนนั้นนี้ก็ละมาดสองเวลาเช้ากับเย็นละมาดตามแนวทางของนบีบรอฮิมมิดละตาอิบรอฮิ ม, ม, แ, ตฮมแต่ละมาดในเชปินชาดีอ่างของนบีมอมัดเนี่ยห้าเวลาเนี่ยก็มาก่อนจะอพยพบน ะ, ะดังนั้น เวลาเราจะทําความดีได้เนี่ยพี่น้องนะส่วนหนึ่งที่จะเป็นการที่ทําให้ความดีของเรามันมันยั่งยืนเนี่ยเราต้องพยายามขจัดไอ้ของไม่ดีก่อนอจริงไหมเวลาเราจะวันนี้เราตั้งใจล้วจะละหมาดให้ครบโอ้โหยาก็ยังไม่เลิกเลยยังติดยายอยู่ยังดูดม้อยู่ยากนะคือถ้าตัวมันยังไม่คลีนเนี่ยอไอการที่จะไปทําความดีมันอาจจะแค่ประเดียวประดาวมันไม่ยั่งยืน ถ้ามันยังมีความช่วยยังติดยังไม่สามารถละเลิกได้เนี่ยนั้นมันต้องพยายามเลิกไอ้ของไม่ดีก่อนเดี๋ยวของดีๆก็จะตามมาแต่ว่าเรื่องละหมาด ต, ต้องควบคู่กันอยู่แล้วนะต้องควบคูกันอยู่แล้วอ น, นี้ข้อห้ามอย่างแรกเลยอันละตุศริกูบิฮิไซอาจงอย่าได้ตั้งพา อย่าได้ตั้งพาคีโดยการเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมาเป็นพาคีร่วมกับ Allah. อัลลอฮ์อ่ามีคนเขาถามว่าจะเป็นคนดีได้ไหมถ้าไม่ได้กราบไหว้อัลลอ์แต่ว่าทำดีกับพ่อแม่ทำดีกับคนพี่น้องเป็นคนใจบุญเน่อ่าเป็นคนมีมารยาทดีแต่ว่าไม่เชื่ออัลลอ์ไม่ไม่กราบไหว้ Allah. อัลลอ์นะ ก็ถามกลับไปว่าคนที่ทําดีกับทุกคนเลยยกเว้นพ่อแม่ตัวเองพ่อแม่ตัวเองด่าเช้าด่าเสียด่าอะไระด่าเสียหมดเออด่าเช้าด่าเย็นดีมากด่าเช้าด่าเสียสับใหม่สับใหม่ด่าเช้าด่าเย็นเลยอ่า ทำไม่ดีสารพัดเลยกับพ่อแม่แต่ไปทำดีคนอื่นหมดเลยนะจับเจ้านายนี่แทบจะโอ้โหของเอาให้เช้าเย็นเช้าเย็นเลยไอ้อยังเงี้ยคนดีไหมทุกคนก็บอกว่าไม่ได้เรื่องไอ้เนี่ยมันดีแค่ท่าเพราะว่ามันมันผิดคนมันต้องไปดีกับพ่อแม่ก่อนก็เช่นเดียวกันน่ะเราเชื่อว่าพระเจ้าให้ชีวิตเราให้ดิสกีเราเรากับทำดีกับทุกคนเลยยกเว้นพระเจ้าไอ้นี่ก็ชั่วแหละไม่คนไม่ดีหรอกในในความคิดของคนที่เป็นมุสลิมนะ อันนั้นมุสลิมเราต้องเริ่มต้นทำดีกับพระเจ้าก่อนอทำดีกับพระเจ้าเมื่อคุณทำดีกับพระเจ้าคุณก็จะทำดีกับทุกคนนั่นแหละเพราะอะไรเพราะพระเจ้าก็สั่งให้ทำดีกับพ่อแม่อีกเห็นไหมมันเป็นขั้นนะยังคุณจะเป็นคนเนรคุณพ่อแม่ไม่ได้เลยถ้าคุณทำดีกับพระเจ้าเพราะพระเจ้าสั่งให้ทำดีกับพ่อแม่แต่ต้องกัดกระดุมให้ถูกก่อนเริ่มต้นกับพระเจ้าก่อนอตรงนี้ ถ้าเป็นอีบาดาสั่งใช้ก็คือให้เตาฮีตที่บอกว่าตาโมรูนบินมารุปวัตันเานานิมุกันที่บอกว่าสั่งใช้ทําความดีสิ่งแรกที่ใช้ความดีคือเตาฮีตและสิ่งแรกที่ต้องห้ามก็คือเรื่องชิริกไม่ใช่ไปใช้ให้ละหมาดไอ้นี่ยังทําชิริกอยู่เลยให้ใช้ใละหมาดแล้วละหมาดจะมีผลอะไรละ่ะถ้ายัางทําชิริกอยู่ยังแขวนตะกงตะกุดอยูต่ตะกุดแขกเต็มเอวเลยไปละหมาดนะละหมาดไม่มีผลหรอกเพราะว่าอะไรเพราะทําชิริกอยู่ นะนั้นอันแรกที่ต้องเริ่มใช้ก็คือใช้ให้เตาฮีทให้เอกภา พ, พก่อนเพาะห้ามสิ่งแรกคือห้ามเรื่องชีริกหลังจากนั้นวาบินวาิีัดนิเอศานาะให้ทำดีกับบิดามานดานะทั้งสองนะซึ่งในหนังสือเนี่ยค่อนข้างจะให้รายละเอียดเยอะมากนะ เดี๋ยวผมขออนุ ญ, ญาตเรื่องเตาฮีทนิดหนึ่งนะมีหะดิษบทนึงมีฮะดิษบทนึ ง, บ, นงบอกว่าอบูซารินอบูซาลินเนี่ยเป็นซอบา ท, ที่มีความเข่งคัดมากแล้วก็สมถาอบูซารินนี่ท่านทำท ำ, ทำสมถาแล้วก็เข่งคัดมากปรากฏว่าอยู่ในเหตุการณ์นี้ท่านใดงานฮะดิษนี้นะยาโรซุนท่านโรซุลบอกว่าอาตาในยิบบรีดุเมื่อกี้เนี่ยยิบบรีมามาหาฉัน ฟาบัสช า, าชรนีแล้วก็ได้แจ้งข่าวกระชันเป็นข่าวดีอันนะฮูว่าแท้จริงเนี่ยผู้ใดที่มันมาต้าผู้ใดที่เสียชีวิตลายุสริกูบิลาฮิชัยอาโดยที่เขาไม่ได้ตั้งพาคีต่อหรอมินอุมมติกาจากประชาชาติของท่าน ก็คือประชาชาิของท่านนาบีดาคอร์นจันนะเข้าสวรรค์อ่าคือไม่ตั้งพระคี์ได้เข้าสวรรค์อบูซาดินถามเลยกุนตุยานาบีโอทันโอซุนฟาอินซานาะวาอินสรารกอแต่ถ้าหาไอ้คนเนี้ยมันทำซีนามันขโมยล่ะจะได้เข้าสวรรค์ไหมแต่ไม่ทำพระคี์นะไม่ตั้งพระคีร์นะเตาฮิดเลยแต่แต่เป็นคนที่ทำซีนาเป็นคนที่ขโมยก็เลย อ่าน บ, บีก็ยังบอกว่าเข้าสวรรค์ยังได้เข้าสวรรค์เขาถามอีกตอนแรกก็ยังตอนแรกฟังปั๊บยิ้มนะพอนา บ, บีบอกว่าคนที่ทําจินาเข้าสวรรค์คนที่ขโมยเข้าสวรรค์รอยยิ้มเริ่มหุบว่าอินซานาว่าอินซารก์ก็แล้วถ้าเกิดยังไป อ, อีกทำจีนาละ่ะแล้วก็ทําขโมยละ่ะน้ําเข้าสวรรค์ยิ้มเริ่มไม่ค่อยมีและวว่าอินซานาว่าอินซาร์ก็ นบีก็ย้ำแนบีก็บอกว่าใช่แม้ว่าจะทําจินาก็ตามขโมยก็ตามและตอนหลังเนี่ยนบีบอกว่าแม้กระทั่งชาริบะคอมดื่มสุราก็เข้าสวรรค์อบูซาดินไปเลยแต่ก็ไม่ไม่ได้เถียงนบีนะแต่รู้สึกว่าทําไมคนทําจีนาถึงได้เข้าสวรรค์นะ่ะเอ่คือจริงๆแอบูอบูซาดินเนะี่ยคือท่านเป็นคนดีท่านไม่ชอบอยู่แล้วไอ้ของ ชอบไหมเวลาเห็นคนทำสีไม่ชอบอยู่แล้วแต่พอได้ยินว่าคนทําสีนาเข้าสวรรค์นี่แม่มันแปลกเนี่ยแต่อย่าลืมไปว่าที่นบีบอกเข้าสวรรค์เนี่ยมันคือบ้านปลายสุดท้ายแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณขมโมยคุณสีนาแล้วคุณจะไม่ได้รับโทษนะคนละเรื่องนะได้รับโทษแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดคุณยังมีคําว่าเตาฮิตคุณไม่ได้ตั้งตั้งภารกิจอรรดเนี่ยอัลลอฮ์ปลดปล่อยออกจากนรกเดี๋ยวก็ไปเข้าสวรรค์ อ่าคือมันมีคําอธิบายอย่างงี้คือนบีตอบสุดท้ายเลยไงว่าได้เข้าสวรรค์กันหมดนั่นแหละอ่าทั้งคนที่ทําซีนาทําอะไรนะ่ยแต่ต้องเป็นมุสลิมนะเงอนขายคือต้องไปตั้งบาคีนะเข้าสวรรค์ถือบั้นปลายสุดท้ายอ่าซึ่งหลักอิกีได้ของพวกเราก็เช่นเดียวกันว่ามีหะดิษ อ, อีกนั่นหนึ่งอีกนหนึ่งนะอัลลอฮ์บอกว่าเป็นฮะดิษกุดซีย โอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ยแท้จริงเจ้านั้นเนี่ยสิ่งที่เจ้าขอต่อฉันและหวังต่อฉันขอก่อโลหวังต่อโลแน่นอนฉันก็คือพระองค์เนี่ยอภัยให้แก่เจ้าแม้ว่าเจ้าจะเคยทำความผิดมากเท่าใดก็ตามโดยที่พระองค์เนี่ยไม่สนใจอะไรเลย อ่าไม่สนใจอะไรเลยจะทําผิดมาขนาดไหนอย่างไรถ้าเกิดมาหากับมาหาอโลขออภัยโทษต่ออโลกับเนื้อกับตัวขออโลอโลไม่สนเลยไอที่ทำมานะถึงแม้ว่าเจ้าจะนําความผิดมาเนี่ยเกือบเต็มแผ่นดินแต่พระองค์ก็จะนําการอภัยโทษมาเต็มแผ่นดินเหมือนกันนะเช่นกันตราบที่เจ้ามิได้ตั้งภาคีต่ออโล นี่ไงแต่ใดที่เจ้าเนี่ยไม่ได้ตั้งพาคีต่อหรอกและถ้าหาเจ้าทําผิดจนกระทั่งความผิดเนี่ยดังเมฆฝนที่อยู่บนท้องฟ้าไม่ใช่เมฆฝนเมฆธรรมด า, าเมฆฝนมันไม่เยอะต้องเมฆธรรมดามันเยอะขนาดนั้นเนี่ยและหลังจากนั้นเจ้าขออภัยต่อฉันฉันก็อภัยโทษให้แก่เจ้านะจากคดีษบท น, นี้เนี่ยอัลลอฮ์ทรงให้อภัย แม้กระทั่งบาปอื่นอื่นก็ให้อภัยถ้าตายไปแล้วนะคือมันจะมีสองช่วงสองสเตปก่อนพี่น้องสเต็ปแรกคือตอนที่ยังไม่ตายต่อให้ทําชีริกก็เตาบัตรตัวได้ชีริกเลยนะทำเตาบัตรตัวได้เอาและสมมุติไม่ทันได้เตาบัตรตั ว, ตวแต่ไม่ได้ทําชีริกนะแต่ทําความผิดอย่างอื่นทําซินายัางที่บอกขโมยของว่ากันไปแล้วก็ตายไปในสภาพนั้นแต่ยังเป็นมุสลิมอยู่เนี่ยอัลลอฮ์ก็พร้อมที่จะให้อภัย อ่าตราบใดที่ไม่มาด้วยกับความผิดที่เป็นชีริกต่อโลอ่าแต่ถ้าตายไปในสภาพที่ทำชีริกต่อโลนี่จบเลยหมดหมดท่าเลยพี่น้องอันนี้ไม่มีการให้อภยัยเพราะเราบอกไว้แล้วว่าพระองค์จะให้อภัยทุกทุกโทษทุกบาปเว้นแต่เรื่องของการตั้งภาคีอยู่ในสุร้อนิสาอินนัลลอฮะลายักฟิรุอิยุชรอกาบีอ่า วอยักฟิรุมาดูนะแดริกริไมรไมยะชะแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงอภัยโทษในการที่ให้มีภาคีขึ้นแก่พระองค์และพระองค์จะทรงให้อภัยนอกจากนี้ทั้งหมดนะอ่ะต่อมาก็เรื่องทำดีกับคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยมีเรื่องเกิดขึ้นกับผมเมื่อกี้เองซื้อซื้อกาแฟแก้วนึงแล้วก็ซื้อนมสด ป่าฉันชอบกินนมสดอ่าก็ซื้อสองแก้วเพรสองแก้วมันมันลดยี่สิบาทพอซื้อมาแก้วหนึ่งก็ฝากลูกชายลู ก, ลกดูสตีหันไปสักพักหนึ่งดูสตีดูดไปครึ่งหนึ่งละ <c oughs> <c oughs> ปุ๊บปุ๊บปุ๊บลูกเอ้ยอันนี้ของของกีอ่าเขาก็บอกลูกก็บอกว่าอ้าวแล้วของหนูล่ะ <c oughs> เออล้วเราก็ลืมซื้อให้ลูกกัน <c oughs> แล้วของหนูลราพอยออไม่บอกไม่เป็นไรดูเดี๋ยวซื้อให้ใหม่อันนี้ของกีเก็บไว้ก่อนให้กีก่อน อ่าทำไมต้องให้กีด้วยเราก็บอกก็กีเป็นพ่อของบาบาไงก็ต้องให้กีก่อนสิอา้าวก็บาบาเป็นพ่อหนูเอาอีและ่ะปวดหัวเลยปวดหัวเลย <c oughs> เออเขาสุดท้ายอ่ะเขาก็บอกว่าเราก็อธิบายบอกว่าลุดดีถ้าบาบาไม่มีกีแล้วบาบาจะเกิดมาได้ยังไงล่ะลูกพราบาาก็มาจากกีนั่นแหละมากับมะนั้นบาก็ต้องทําดีกับ พ่อแม่ด้วยแล้วก็หนูก็ทำดีแต่ยังน้อยสิทธิ์ของพ่อแม่ต้องมาก่อนลูกให้พ่อแม่ได้กินอิ่มก่อนเดี๋ยวพวกหนูเดี๋ยวบารหาให้พอเขาฟังปั๊บเขาก็วางดีนะเข้าใจก่อนถ้าไม่เข้าใจก่อนจะหมดแก้วแน่ <laughs> <laughs> <c oughs> เออคืออันนี้มันก็เป็นเป็นเรื่องที่เรามักจะมองข้ามนะบางทีเราจะนึกถึงลูกถึงภรรยาแต่ดืมนึกถึง พ่อแม่นะครับนะวลาตะกะตูลูและอย่าได้ฆ่านี่พูดถึงลูกแล้วใช่ไหมและอย่าได้ฆ่าเอาแลดากุมอย่าได้ฆ่าลูกของบูเจ้านี่มีน้องเห็นไหมว่าพ่อแม่มาก่อนลูกมันมีมัสยิดหนึ่งถ้าเกิดสมมุติภรรยาตั้งครรภ์และเกิดหมอบอกว่ารักษาได้หนึ่งชีวิตในลักศาสนาต้องเอาชีวิตของแม่ไว้ก่อนลูกปล่อยไป ไม่ใช่เอาชีวิตลูกก่อนนะแล้วแม่ให้ตายอันนี้แผนไม่ค่อยดีแสดงว่าอยากจะหาแม่ใหม่มีแผนตามหลักศาสนาต้องเอาแม่ก่อนเอาเอาคนที่เป็นแม่ก่อนนะคนที่เป็นภรรยาก่อนนะครับแต่ว่ามนุษย์ทุกคนก็จะนึนกถึงลูกนะอย่างสมมติให้ให้ลูกเนี่ยพอแม่ยอมอดเพื่อลูกแต่ตามหลักก็คือพ่อแม่เนี่ยสมมุติถ้าไม่บำรุงแม่จะมีน้ํานมให้ลูกไหมล่ะมันก็ต้องตามของมัน น, นะนะต้องบำรุงแม่ด้วยอ่า นะนูคำว่าอิมลาตอนนี้หมายถึงยากจนนะครับฟ ก, กีรนะนูนะรซูกุกุมว่าอียหุมเพราะเราเป็นผู้ให้ดิสกีแก่พวกเจ้านี่เอาล้อบอกนะอย่าฆ่าลูกนะเพราะว่าอะไรเพราะเนื่องจากความจนอย่าไปฆ่าลูกเนื่องจากเพราะเราเป็นผู้ให้ปัจจัยอย่างชีพแก่พวกเจ้าว่อียาหุมและก็พวกเขาด้วย พวกเขาด้วยอย่าฆ่าลูกความยากจนคราวนี้มันก็ต้องย้อนกลับไปนะรุ่นโต๊กีโตัววงังเราเนี่ยลูกสิบสองคนลูกสิบเอ็ดคนเลี้ยงได้นะเอาเงินที่ไหนเลี้ยงนึกในใจนะสมัยนี้สองคนในี่สายโตแทบขาดสามคนก็เกาหัวแล้วสี่คนทําหมันเลยแมวแล้วแต่สมัยก่อนไม่เห็นเขาคิดอะไรมากเลยสิบกว่าคนโยเยไปหมดอ่าอันนี้โยเยเนี่ยเหมือนนอนเลยนะคือจริงลูก แต่เลี้ยงกันมาจนกระทั่งเติบใหญ่ได้ดิบได้ดีกันนี่ไงเพราะอัลลอ์ให้ริสกี้ไม่ใช่เราเราทำหน้าที่หาอ่าแต่ปัจจุบันนี้ก็ต้องเข้าใจนะว่ามันสตางมันไม่ได้หาข้างบ้านได้แล้วตอนนี้เมื่อก่อนสตางหาค้างบ้านได้เก็บนูน่นเก็บนี่กินได้นะแต่ว่าให้เราเข้าใจไว้เถอะว่ า, วามีไปเถอะลูกอะ่ะเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ริสกี้อย่าได้ฆ่าลูกนะ เวลตาตะกอรอบูเวลตาตะกอรอบุญอย่าได้เข้าใกล้เข้าใกล้เรื่องอะไรเวาา่าให้ชาแปลว่าความชั่วความชั่วเราเห็นความชั่วเนี่ยอย่าว่าไปทําเลยนะอย่าไปเข้าใกล้เลยเห็นเขานั่งกินเหล้ากันนะเราบอกว่าไม่เป็นไ้เราไม่กินเรกแต่เรานั่งคุยอยู่ในวงเหล้าเนี่ยไม่ได้บาป เอายกอาย่า น, นี่แหละเวลาตกลงไฟาวาใช่ไหมอย่าเข้าไปนั่งร่วมแม้ว่าจะไม่กินก็นตามเดินหายเลยมาซอฮารมินทาว่ามาบอตอนันไอความชั่วเนี่ยทั้งเปิดเผยแล้วก็ไม่เปิดเผยแล้วก็อย่าได้ฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดนอกจากอิลลาบินทักบินทักก็หมายถึงโทษประหารเช่นการประหารชีวิตแดลิกุมวัศอกุมบีฮีหลานและกุมตากิลุน นี่แหละคือสิ่งที่พระองค์สั่งเสียไว้เพื่อที่พระเจ้านั้นจะได้ใช้ปัญญามีกี่ข้อเนี่ยทำชิริก ห, ห้ามทำชิริกให้ทำดีกับพ่อแม่อย่าได้ฆ่าลูกอย่าเข้าใกล้ความชั่วอย่าฆ่าคนโดยไม่มีสิทธิห้าข้อ อ, อ่านต่อนะอายะที่152ข้อห้ามอย่างต่อเนื่องนะครับ มีสิบข้อทั้งหมด。 وأوف الكيل والميزان بالقسط لا نقلف نفس إلا وسعها. وإذا َِ قلتم ْ ف ا, ا, إ, ف ا, ا ع ِ ل ُ و ولو كان ولو َْ كان َ ذا َ قربا و َ ب ِ ع د ِ الله ِ أوفوا َْ ذلك ุมวสักุมَ ع َ ل َّ ك ُุม تذكر ุนอะมาดูคำสั่งต่อนะเมื่อกี้ห้าเป็นคำสั่งละอ่านี่ต่อคำสั่งที่หก เวลาตะกอรอบุลอย่าเวลาตะกอรอบูมาลลนอยะตีมอย่าได้เข้าใกล้ทรัพย์ของอเนกอย่าเต็มเด็กกำพรา้าเด็กกำพร้าหมายถึงเด็กที่พ่อเสียชีวิตนะถ้าแม่เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้กำพร้านะ่ะแต่แน่นอนแหละว่าเขาก็ไม่ครบหรอก แต่ถามว่าไม่เข้าคำว่ากําพา้าเพราะกัมพ้าที่ศาสนากำหนดก็คือพ่อตายบางคนถามพ่อทิ้งละ่ะพ่อทิ้งเนี่ยก็ไม่เรียกกําพ้านะแต่เหมือนจะเป็นกําพา้าแต่ไม่เรียกว่าพ่อไม่เป็นกําพา้ากัมพ้าต้องพ่อตายอย่างเดียวแต่จริงไงพ่อทิ้งก็ไม่ต่างกับพ่อตายครับบรรลุศาสนาภาวะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็มีประจาเดือน แต่คนนี้เนี่ยเวลาทุนเด็กกมพร้าต้องให้เนี่ยเขาจะแยกนะคือถ้าเป็นทุนเด็กกาพร้าเนี่ยจะต้องเป็นเด็กจริงๆนะพี่น้องไม่ใช่โตแล้วบางคนนี่ยอยู่จะเข้ามาหาอะไรแล้วบอกทุนเด็กกำพร้ากพร้าอะไรอะโตเป็นสาวแล้วอันนี้ก็เรียกเป็นทุนการศึกษาทั่วไปถ้ากมพร้าต้องเป็นเด็กจริงๆเอาตามศาสนาบอกเลยคือผู้ชายก็จะวัดยากหน่อย เพราะมันไม่เหมือนผู้หญิงผู้หญิงก็มีประจำเดือนก็รู้อผู้ชายก็ต้องไปถามแล้วใครมันจะบอกอะฝันเปียกเปล่าก็ mm. ลำบากใช่ไหมก็เอาเป็นเกณฑ์บางทีก็เอาสิบห้าอายุสิบห้าคราวนี้ที่ศาสนาไม่ให้เข้าไปยุ่งเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ธุระของเราเออมันเงินเด็กกำพร้าจะ ไ, ไปยุ่งทำไมอะเออไม่ใช่เงินเราอิลาบิลลาตีฮิยสันเวนแต่ด้วยกับวิถีทางที่ดีกว่าแปลว่าอะไร แปลว่าถ้าเกิดเราเข้าไปดูแลแล้วทําให้ทรัพย์เนี่ยมันเจริญงอกงามขึ้นเช่นเขาเป็นเด็กแล้วเราเป็นวดัดใหญ่ก็ดูแลให้โดยการบริหารจัดการเอาไปลงทงลงทุนให้อะไรแต่เรต้องมั่นใจนะว่าค่อนข้างจะไม่เสี่ยงนะแล้วจากนั้นเงินมันก็งอกเงยมาอันนี้ดีวิธีทางที่ดีกว่าไม่ใช่เอาไปถลุงไม่ใช่แบบนี้ไม่ดี เอาไปบริหารจัดการให้มันดีมันจะได้เพิ่มต่อยอดไปเอาไปลงทุนว่ากันไปนะแต่ว่าต้องพิจารณาก่อนนะว่าดีไหมเฮียอาซันไหมทาไมอาซันไม่เอาฮัตตายะบาลูกอาชุดดาจนกระทั่งบรรลุศาสนาภาวะถ้าบรรลุศาสนาภาวะเล่ก็คืนให้เขาไปให้เขาเป็นคนจัดการดูเล่นะนั้นทัพย์ดิกรรมพลาเอาซ้อนเดิมของมันก็คืออย่าไปยุ่งแต่ถ้าจะยุ่ง มีเรื่องมีเป็นเรื่องเดียวคือบริหารจัดการให้ดีกว่าอันนี้หมายถึงเด็กกำพร้าที่มีตังนะคนในเรื่องกับเด็กกำพร้าที่ไม่มีตังถ้าเด็กกำพร้าไม่มีตังหน้าที่ของเราต้องไปดูแลอันนี้ไม่ใช่ว่าอ๋อเด็กกาพร้าไม่ยุ่งไม่ใช่หมายถึงเด็กกำพร้าที่มีตังเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกเขาสบายแล้วเอยกกรทิงมรดกเอาให้ตึกร้อยห้องเออมีตึกร้อยห้องมีที่เช่าอีกโอ้โหไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอะให้เขาดูแลไป เขามีวรดดูแลแล้วไม่ต้องไปยุ่งแต่ถ้าเกิดเด็กกำพร้าที่ยากจนขาดสนอันนี้เนี่ยต้องเข้าไปยุ่งไปดูแลไปช่วยเหลือให้การสนับสนุนคนละเรื่องกันนะเพราะใช้คําว่ามาลั่นอย่าตีมทรัพย์ของเด็กกำพร้าไม่ใช่บอกว่าอย่าเข้าใกล้เด็กกำพร้าเ อ, อเดี๋ยวมันตกคําว่าทซั์ไปอ๋ออาจารย์ห้ามเข้าไปยุ่งกับเด็กกำพร้าไม่ใช่หมายถึงทซั์ของเด็กกำพร้าเนี่ยอย่าไปยุ่งอ่าดูแลให้ได้ ว่าเอาฟุลไกแปลว่าอันนี้ข้อที่สองแล้วนะจงให้เต็มเครื่องตวงมีซานก็คือเชื่องช่างไกเนี่ยแปลว่าตวงและกระช่างบิลเกสด้วยกับความเที่ยงตรงเที่ยงธรรมแลวเราบอกนะและนุกัลลิฟูนับสันอิลาวุสอาหารม้เราจะไม่บังคับชีวิต ได้ชีวิตหนึ่งนอกจากชีวิตนั้นจะมีความสามารถเท่านั้นคือเอาเนี่ยมันคงไม่ต้องถึงขั้นโอ้โหดูให้มันเป๊ะแบบจุดศูนย์หนึ่งจุดศูนย์เนี่ยโอ้ปิดหัวกว่าจะได้เจ้าหนึ่งอ่าดังนั้นเอาเท่าที่ว่าเราเห็นว่ามันสมมมันยุติธรรมแต่ส่วนใหญ่นะมันต้องเกินแต่ฉันไปซื้อกุ้งเนี่ยผมก็โยนไปโยนใส่เข้าไป สะกพักในนั้นก็โยนออกโยนออกก็ถามเอากีโลเอาโลหนึ่งเนี่ยโกโยนมาเกินกว่าโลสองแล้วเนี่ยเอาออกแล้วเดี๋ยวนี้มันมีตาช่างอันหนึ่งที่ค่อนข้างจะตรงก็คือตาชั่างดิจิตอลอันนี้มันคิดเลยถ้าเกินมากี่เท่าไหร่มันคิดตามราคาเลยแต่ถ้าเป็นตาช่างที่เป็นไ อ, ไอตัวสปริงอะ่ะอันนี้มันทีมันมีโยนๆกันได้ใส่เข้าไปเกินได้แต่ถ้าเป็นดิจิตอลนี่คือคุณช่างเท่าไหร่เท่านั้นเลย มันจะคิดตามคำนวณราคามาเลยอันนี้ตามห้างจะเป็นดียิตอนหมดนะตามห้างเป็นดิจตอนหมดนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเนาะคนที่ขายเนี่ยจะควรจะตรวจสอบคุณภาพหน่อยมีอยู่เจ้าหนึ่งแกดีมากเป็นไม่ใช่คนอิสลามเราด้วยไปซื้อส้มซื้อยกลังนะส้มใหญ่ๆอะ่ะลังหนึ่งเขาเปิดลังแล้วเขาก็หยิบดูทีละลูกเลยนะปกติเนี่ยเวลาซื้อยกลังก็มันก็จ่ายตังค์ไปสิ มาเจอเน่าครึ่งหนึ่งก็มีอ่แต่อันนี้เขาบอกเดี๋ยวเขาคัดให้เขาก็แกะรางปึ๊บหยิบดูหยิบดูหยิบดูหยิบดูหยิบ ด, บดูเอาอันไหนไม่สวยอิบออกเอาของดีใส่ให้เออเขาบอกไอ้นี่ใช้ได้นะอ่าแต่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยยุติธรรมมากคัดลูกให้ทั้งทั้งนี้ยกรางจริงๆมันน่าจะเอาไปเลยอันนี้ตัวอย่างอันหนึ่งนะนี่น่ารักต้องชมอา้าวอย่าได้โกงตาช่าง อย่าได้โกงตาช่งางนะมีข่าวอีกนิดนึงเขาไปซื้อเครื่องใช้ดีโมดกดมันดีโมดรถเลยพอช่างปั๊บมันจะมีไอตัวอะไรล่ะไอตัวยางหรือฟองน้ำเนี่ยเข้าไปรองสปริงพอเวลาช่างปั๊บมันก็จะเบาเพราะเขารับซื้อยางจากว่ากติต้องจ่ายตังหโลก็เหลือประมาณห้าโลครึง่งกดปุ๊บไอยางนั้มารองปั๊บังตุดมันต้องหกโลมัน้องจ่ายตังหกโล กลายเป็นเหลือห้าโลครึ่งเขาซื้อไอ้ตาช่างเนี่ยแสนหนึ่งมันยอมจะโกงคนนะนะมันซื้อไอ้ตาช่างเนี่ยแสนหนึ่งจะดูในข่าวอะแล้วก็ทำมาประมาณปีกว่าไม่รู้โกงใครไว้บ้างนะอันนี้ต้องระวังนะมุสลิมเราทำานี้ไม่เจริญเนะี่เอารอจัดการหมดนะคือจะโกงก็ต้องเสียตังค์อันนี้ต้องระวังนะไอ วัยรุ่นลินมุตตฟีฟีนความหายนะประสบแก่คนที่ทำให้พร่องในการช่างในการตวงอเ ล, ลดีอีสักตาลูอาเลนแนซิอัสเตอฟูนคือบรรดาผู้ที่พวกเขาตวงเอาจากคนอื่นเนีขาเอาเต็มเวลาจะเอาคนอื่นเนี่ยต้องต้องเป๊ะนะแต่พอเวลาจะขายต่อปั๊บขาดเอาจากคนอื่นนะเต็มแต่พอเวลาจะขายคนอื่นขาดอ่พวกนี้ เราบอกไวลแปลว่าความวิบัติความหายนะจะเกิดกับคนเหล่านี้อ่ะต่อมาข้อต่อมาว่าอีเดกุลตุ่มและเมื่อพวกท่านพูดกุลตุ่ม um? ตรงนี้แปลว่าพูดนะตัวรามนะกุลตุ่มกอล่ า, Good um? ากุลจงกล่าวว่าอีเดกุลตุ่มและเมื่อพวกท่านกล่าวกับพวกคนทั้งหลายเนี่ย ฟาดีลูวล่เหากาเนี่ยกุบกรอบจงกล่าวพูดหรือพูดด้วยความยุติธรรมแม้ว่าแม้ว่าเขาจะเป็นญาติใกล้ชิดก็ตามอันนี้เรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องพยานเราจะเป็นพยานเนี่ยถ้าเป็นญาติเราเราก็ต้องไม่เข้าคางญาติเราสมมุติญาติเราทําผิดเราเป็นพยานเลยทำฟอกฟอกผิดฟอกขาวฟอกดําให้เป็นขาวกับญาติเราไม่ได้อิสลามบอกว่าต่อให้เป็นญาติก็ต้องรักษาความยุติธรรม นะวะบดิลเฮอฟูลและสัญญาของอัลลอ์เนี่ยให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนเราสัญญาอะไรกับอัลลอ์ไว้มีความรู้เรื่องศาสนาอะไรบ้างปฏิบัติให้ทบให้ถ้วนนะลิกุมวะซอกุมบิฮลหลานและกุมแตะกรูนและนั่นแหละคือพระองค์นั้นได้ทรงสั่งเสียเอาไว้แก่พวกเจ้า เพื่อพวกเจ้านั้นจะได้ได้อะไรได้ล้ำลึกถึงจะได้กระรุนไปว่าล้ำลึกถึงนี่ก็คือคําสั่งสิบข้อในยุคแรกเลยอ่าให้ทําดีกับพ่อให้อย่าตั้งพาคีทําดีกับพ่อแม่พูดความจริงนะอย่ากโกงตาช่างอย่าฆ่าลูกอะไรอีกมีอะไรอีกเต็มเลยนะสิบข้อด้วยกันนะอย่า ก, กินอย่าไปยุ่งกับเด็กกําปัอย่าไปกินรัพย์เด็กกัมพานะครับอายะที่ หนึงร้อยห ذ าสิบสามว่าอันน่าจะสิรติมุสตะีมะฟัตตับิอูว่าอั ذ َ ا س จะสิรِิมุสตะีมะฟัตตับ ت َّ ب ِ ع ُ و ه ُ ว่า ت ะติดต่บิอุสุบุลละฟะต์ฟรรักบิคุมอัลสับบิลิละลิคุส ซ ก, ก, กุมบีฮีละอัลลอกุตัดตะคนท้ายของอายะสามอายะเนี่ยะ ล, ลิกุมวะซอุมบฮเหมือนกันเลยแต่มาปิดท้ายไม่เหมือนก็คือ ตัตตะกูลตาตะาการูนตากีรูนข้อสังเกตนะนี่ข้อสังเกตของอายะกรานอันแรกอลัลลอบอกว่าตากีรูนแปลว่าอะไรเพื่อพ่อเจ้าจะได้สติปัญญาคืออันเนี้ยไปถามใครเขาก็รู้เรื่องอะไรทำดีกับพ่อแม่ถามคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเฮ้ยการทำดีกับพ่อแม่เนี่ยเป็นเรื่องดีั้มเขาต้องบอกว่าดีนะ อย่าไปฆ่าลูกเนี่ยดีไหมก็ดีอย่าอย่าไปเข้าใต้ความชั่วคือแค่ใช้สติปัญญาของไม่ต้องฉลาดมากหรอกนะเอาแค่ธรรมดาเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าอันเนี้ยมันคือความชั่วต่างๆอ่าใช้สติปัญญาเนี่ยรู้แล้วฆ่าคนตายไปยุ่งไปอะไรนะไปฆ่าลูกทำดีกับพ่อแม่นะอันต่อมาแต่ザกการูนแปลว่าอะไรแปลว่าจะได้ใครควร ลำลึกถึงนะล้ำลึกถึงจะได้ลำลึกถึงตาแจ็กอรูนอันนี้เรื่องของอะไรเรื่องของที่เป็นเป็นเรื่องกลโกงต่างๆเนี่ยโกงตาช่างเป็นพยานเท็จใช่ไหมคือมันมันใช้มันใช้วิธีคือจะโกงตาช่างเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีมาถึงก็โกงได้นะมันต้องมีคิดอุบายกลต่างๆทํายังไงที่จะ ทำให้คนเขาไม่เห็นสมัยก่อนซื้อของพอทั้งเรียบร้อยปุ๊บหยิบอีกถุงนึงให้กลับมาบ้านเน่าไปครึ่งถุงไอตอนเลือกทำไมมันเลือกแต่ของดีมันมีวิธ์มันต้องใช้ใช้กลอุบายในการล่อลวงเอาทรัพย์อย่าติมมาแล้วมาโกงทำยังไงอยู่ดีเขาคงไม่โกงไม่คงไม่ให้เลยก็ได้ลํำลึกคิดถึงว่าไอของเราเนี่ยเป็นของไม่ดีอันสุดท้ายเนียใช้คาว่าพพวกเจ้าจะได้ยาเกรงตักวาเลย พ อ, อ น, นี้เรื่องตะว่าใช้ตะว่าวันนาฮาซาซิโรตีและแท้จริงนี่คือนี่คือทางของข้าก็คือทางของอัลลอฮ์อันเทียเท่ยงตรงมุสตะกรีมแปลว่าเที่ยงตรงเที่ยงตรงแปลว่าอะไรละ่ะมันก็ไม่ออกนองนูน อ, นนอทางอะพูดง่ายๆพี่น้องเป๊ะเลยอยู่ในทางของมันฟัด เตอรบียอหูแปลว่าอะไรจงปฏิบัติตามหนทางนี้เถิดทางที่เราลอบบอกเนี่ยให้ปฏิบัติตามนะเวลาตอรบีอุสซบละและจงอย่าปฏิบัติตามทางหลายๆทางทางอื่นที่ไม่ใช่อิสลามเพราะทางที่ไม่ใช่อิสลามมีเยอะเพียบไปหมดแต่ทางที่มีที่ทางที่เป็นอิสลามมีแค่ทางเดียว ก็คือกิตาบูลและซุนนะครัท่านนมะีมีทางนี้แหละแต่ทางอื่นนะเยอะคำสอนโอ้โหพี่น้องน้องจกอิสลามมีคำสอนอื่นนี้ไหมล่ะเยอะไปหมดจะเอาอะไรล่ะจะเอารุ่นใหม่นักวิทยาศาสตร์อะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าคำพุคาสอนของอิสลามกุรอาหดีสมาจากอัลลอฮ์อย่างเดียวเวลาเตตบิอุสซูบูลละตาฟรรกอบิคุมอันซาบล ที่อัลล์ไม่ให้เราปฏิบัติตามทางทั้งหลายเนี่ยเพราะมันเป็นต้นเหตุทาให้เราออกจากทางของอัลลอฮ์คราใดที่เราเอาทางอื่นมาร่วมกับทางของอัลลอฮ์ด้วยนั่นแหละแปลว่าเราออกจากทางของอัลลอฮ์เลวเข้าใจนะ The 리กุมวะซอกุมนี่แหละคือการที่พระองค์ได้สั่งเสียไว้กับพวกเจ้านะเพื่อว่าพวกเจ้านั้นจะได้ยำเกรงอัลลอฮ์อ่ะผมมี มีฮะดิษอันนี้ดีมากเลยนะคือมันจะจําได้ไหมมันจะมีหะดิษซีวร น, นบีเนะี่ยขีดเส้นเนาะบางรายงานก็บอกขีดสองอันหมายถึงซ้ายกับขวาบางรายงานก็บอกขีดสองสองเส้นคนละฮะดีษกันนะมันมีสองฮะดิษฮะดิษแรกเนี่ยคือบีขีดเส้นหนึ่งแล้วก็ขีดซ้ายกับขวาอีกฮะดิษนึงก็คือขีดตรงกลางอันหนึ่งแหละแล้วก็ขีดขวาสองอันซ้ายสองอันเป็นเท่าไหร่เป็นห้า แต่น บ, บีก็พูดถึงทางเนี่ยทางตรงกลางนี่แหละคือทางที่กิาตามุลลอและซุนนะของท่านน บ, บีคือทางที่ถูกต้องไอที่เหลือเนี่ยไอข้างๆเนี่ยไม่ใช่นะอันนี้น่าเราน่าจะเคยได้ยินมาละไอที่เหลือก็ทางเชยตอนนะทางซ้ายทางขวาเนี่ยอ่านี้มันมีหะดิษบท น, นึงอิหม่ามอาหมัดรายงานเอาไว้เปรียบเสมือนนะดอรอบัลลอ a ล l a h เนี่ยได้ทรง มาซาลัซีรอตันได้ทรงอุปมาซีรอตันมุสตะกีมให้เราเห็นเป็นการเปรียบเทียบนะอุปมาก็หมายถึงเปรียบเทียบไอ้คาว่าหนทางกันเที่ยงตรงเนี่ยมันคือไงอัลลอฮฺได้ทรงอุปมาซีรอตันมุสตะกีมให้เราเห็นจากสองข้างซีรอตนั้นมีกําแพงสมมุติสะพานนี่นะอย่าปรับแล็กกัข้างสะพานมีอะไร มีกำแพงอยู่ก่อกำแพงเป็นกำแพงกำแพงนี่อยู่ทั้งสองด้านเลยสมมติ ers, มีทางอยู่ทางหนึ่งแล้วก็มีกำแพงอยู่ข้างๆเลยเหมือนเราเดินผ่านซอกตึกเลยนะแล้วก็มีกำแพงอยู่ทั้งสองด้านของพาร์นเนีย่ยมีประตูหลายบานเปิดอยู่ประตูหลายบานเปิดอยู่และในประตูต่างๆเนี่ยจะมีม่านเนี่ยปิดอยู่มีม่าน อยู่มองไม่เห็นเน่ยมันมีม่านปิดแต่ว่าเดินเข้าได้นะเพราะม่านเนี่ยวับเข้าไปส่วนส่วนที่ประตูอัสซีร์อตเนี่ยมีผู้ที่กําลังเรียกอยู่ก็คือปลายสุดนะที่จะเป็นทางที่จะไปหาล้อเนี่ยเรียกมาที่มา น, นี่อันนี้จะแวะเข้าข้างๆอย่างเดียวเลยข้างๆ ม, มีประตูเยอะโอ้มนุษย์ทั้งหลายรีบเข้ามาที่สะพานซีรอต อย่าเข้าอย่าอย่าแอบเข้าไปตรงข้างประตูแมวมันนี้และเมื่อมนุษย์ต้องการจะเปิดประตูบานหนึ่งบานใดที่มีม่านอยู่นะเขาก็จะกล่าวว่าช้าก่อนอย่าไปเปิดท่านจงอย่าเปิดมันและถ้าหากท่านเปิดมันท่านก็ต้องเข้าไปถ้าเปิดปั๊บนี่อดไม่อยู่แน่อ่าคือไอความชั่วเนี่ยพี่น้องนะอย่าคิดว่าเอ้ยครั้งเดียวไม่เป็นได้หรอก พอเข้าไปแล้วบางทีถล่มลึกไอ้คนที่ติดพ น, นันกับครั้งแรกนี่แหละเฮ้ย <c oughs> ไม่เป็นไรเราไปต่อทุนสักพักหนึ่งอยู่อยู่เฝ้าบอลเลย <c oughs> เอออย่าไปเปิดมัน <c oughs> เปิดมัน <c oughs> เมื่อไหร่ปับ๊บเสร็จแน่เดี๋ยวเข้าแน่เดินข้ามไปมองผ่านไปเลยทั้งนี้เนี่ยซีรัตเนี่ยคือทางที่เที่ยงตรงนั่นก็คืออิสลามไงส่วนกําแพงทั้งสองนั่นคือขอบเขตของอัลลอฮ์ ที่เป็นกำแพงอยู่ระหว่างทางเนี่ยคือขอบเขตยาได้ล่วงเขตของล้อไปล้ำเขตของล้อก็คือไปไปทําสิ่งที่เอาล้อห้ามผู้ที่เรียกร้องตอนตอน้นต้นประตูเลยให้เข้ามาอยู่บนทางเนี่ยอ่าไม่ใช่เรียกตรงให้ผู้ที่เรียกร้องให้มาอยู่บนทางเนี่ยตอนต้นเลยนะ ก, ก็คือคําพีของล้อก็คือกุรานส่วนที่คนส่วนผู้ที่เรียกร้องบนสะพานมาอยู่บนสะพานแล้วใช่ไหมบนทางแล้วเนี่ย พอจะเข้าไปประตูอื่นๆปับ๊บอย่าเข้านะนั่นก็คือจิตสำนึกที่อยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคนมันจะคอยกระตุ้นให้เราเนี่ยลํำลึกถึงอัลลอ์อยู่อาเวลาที่คนนึกถึงคำสอนเฮ้ยจะทำอยู่แลนึกถึงบาปไม่เอาอะเออจีนาผู้หญิงยังสวยเลยไม่ได้นึกถึงละภรรยาที่บ้านอยู่รออยู่เลิกไม่ไปทา นั่นแหละคือจิตสํานึกที่มันจะคอยไม่ให้เราเนี่ยไปทําสิ่งคารอมนะแต่สิ่งแรกที่เราต้องมาอยู่บนสะพานให้ได้ก่อนคืออะไรคือกุฎานคือคำภีร์ของเราบางคนนี่ยังไม่เข้าสะพานเลยยังอยู่ข้างนอกอยู่เลยอ่าคือเบื้องแรกเนี่ ย, เ ร, ยเรียกมาอยู่บนสะพานก่อนอยู่บนทางก่อนพออยู่บนทางเสร็จก็ต้องคอยประคับประคองตัวเราเนี่ยไม่ให้ออกจากสะพานนะคือกําแพงที่จะเข้าไปฮะดิษนี้เป็นการเปรียบ เทียบให้เห็นความชัดเจนนะพวกเราอยู่บนสะพานกันหมดแล้วแหละแต่ครนี้อย่าตกสะพานแล้วกันนะมันมีมันมีช่องเยอะประตูเพียบเลยม่านก็สวยๆทั้งนั้นอ่าอ่ะนี่ก็คืออายะที่หนึ่งรอเท่าไรร้1 5ห้าบอ่ะเดี๋ยวอ่านห้าบสี่กับ5้าสิบห้า สุ่มมาตายนามุสลิทับจัมมัณน์َัลลอฮฺที่อัพรานและทัฟซีล الذي أحسن وتفصيل لكل شيء وهو دواعر ح وه م ة ละอَลลّ ه ุ م ْิลิคออิรับَิหิมยุมีُْูและอัลลุมบิลิออรบบิหิยุมีนูนแ ขีตบุญเอ๋ยรนาหูมบารกุฟัตตบิยูขีตบุญเอ๋ยรนาหูมบารคุฟัตตบบิยู ตะกูละอัลลอฮุมตุรหมุน อ, อ, อ่ะมาดูความหมายนะซุมมากไปว่าหลังจากนั้นเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าหนทางที่เราจะได้อยู่บนทางที่ถูกต้องที่ต้องก็คือกุรอาน ทางที่จะทำให้เราอยู่บนหนทางที่ถูกต้องก็คืออัลกุรอานนะครับและเราได้ประทานคัมภีร์ให้กับมูซาก็คือคัมภีร์เตารอ้อนนะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องต่อจากนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกมุสลิกเนี่ยเขารู้จักคัมภีร์เตาร้อนไหมเขาเคยได้ยินเขาไม่รู้หรอกเพราะว่าเตาร้อนเนี่ยก็คือพวกเยวหุดแลวเป็นภาษาภาษาพวกเขาโดยอ่านไม่ออก ถามว่ารู้จักเตาคัมภี์เตาร้อนไม่รู้แต่ไม่เข้าใจเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่าลืมว่าเตาร้อนเนี่ยให้อ่าเป็นของยโฮธใช่ไมอ่าแล้วก็พวกเนี่ยจะมีผู้รู้ของพวกเขาอ่านคัมภีร์เขาได้ด้วยขณะพวกเขาเองยังอ่านไม่ได้นะต้องเป็นผู้รู้ของพวกเขาถึงจะอ่านและเข้าใจแต่ทำไมอัลลอ์พูดถึงตะบีเตารอนเดี๋ยวจะมีต่ออัลลอฮ์บอกว่าเราได้ประทานคัมภีร์ ให้แก่มูซาเพื่อให้ครบถ้วนแก่ผู้ที่ทำดีและเป็นการแจกแจงในสิ่งในทุกสิ่งทุกอย่างเลยอาซันทาดีและก็เป็นทางนำขูดาวร์หรอะหมเป็นความเมตตาเพื่อให้พวกเขาจะได้ศรัทธาต่อการที่จะพบพระผ้อพิบาลของพวกเขาคราวนี้พวกอาหรับก็จะบอกว่าเอ้ย ก็แน่นมันคัมภี์ของเยาวูดอ้าวแล้วมันมีคมภีร์ของพวกเราด้วยเด้อนี่ไงวาฮาดากีตาบุญและนี่คือคำภีร์กุรารานซึ่งกุรารานประทานเป็นภาษาอะไรภาษาอาหรับคุณเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจเพราะคุณเป็นคนพูดภาษาอาหรับอยู่แล้วเนี่ยทําไมถึงพูดเตารอนอ่าเพราะเตารอนเนี่ย ตอนนั้นให้เอาละประทานน บ, บีมูซาภาษาอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่ภาษาอังกฤษแต่พอเป็นกุฎานปั๊บเป็นภาษาอังกฤษนะว่ฮะตะกิตาบุญอันซันนาฮูซึ่งอัลลอฮ์ได้ประทานลงมายังแก่เจ้าซึ่งเป็นภาษาอังกฤษฟัตตะบิอูให้ปฏิบัติตามวัตตะกู้และก็ให้ยำเกรงเถิดล้านละกุ้มตุระหามูนหวังพวกเจ้าจะได้รับความเมตตาอัลลอฮ์ชมเชยคัมภีเตารอนและกุฎาน นะน บ, บีมูซาได้รับคำภี์เตารอนอายะที่1น5สห้าเนี่ยในสุรา น, นอานามเนี่ยอธิบายว่าอยายะนี้ได้เรียกร้องเชิญชวนให้ปฏิบัติตามอัลกุรอานคือไม่ต้องไปสนใจและเตารอนเพราะว่าเตารอนเนี่ยตอนนี้เป็นภาษาอื่นด้วยคุณก็ไม่เข้าใจแล้วก็ยาฮูดเขาก็เอาไปปฏิบัติกันแต่กำลังพูดถึงมุสลิเนี่ยที่เป็นคนอาหรับเนี่ยที่เป็นมุสลิีนเนี่ย มาปฏิบัติตามกุร่าซึ่งเป็นภาษาอาหรับและก็เป็นทางนำที่ถูกต้องกว่าดีกว่าคืออัลลอฮ์ทรงชอบที่จะให้บาของพระองค์เนี่ยให้ความสนใจในคำภีของพระองค์ใช้ให้พวกเขาพิจารณาและปฏิบัติตามคมภีโดยการเชิญชวนไปสู่คำภีและบอกลักษณะว่าผู้ปฏิบัติตามคำภีจะมูบารอกคืออะไรจะได้รับบรารักัฏความจำเริญ อ่แปลเป็นภาษาไทยก็คือเจริญรุ่งเรืองคําว่าเจริญรุ่งเรืองเนี่ยก็คือบรารัก้าบ้านเราจะมีความเจริญบ้านเมืองจะมีความเจริญรุ่งเรืองต้องปฏิบัติตามบัญญัติของลอไอเจริญแบบมัวสียัดเต็มบ้านเต็มเมืองนเนี่ยไม่เจริญน่ยไม่เจริญจริงมีแต่เสื่อมโทรมทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ต้องปฏิบัติตามกุฎานและความจำเริญจะมาความเจริญรุ่งเรืองจะมาและจำเริญทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะคำภีร์เล่มนี้เป็นสายเชื่อของอัลลอฮ์ที่เหนียวที่เหนียวแน่นมั่นคงที่เหนียวแน่นไม่ใช่เหนียวแน่นที่เหนียวแน่นมั่นคงถาวรและนิรันดร น, นิรันการไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าเรามีกุอานไม่ต้องห่วงเลยว่าเสื่องนี้มันจะผุมันจะพังถ้าคุณไม่ยึดเชื่อกอื่นนะเดี๋ยวก็แก้แล้ว กฎหมายมนุษย์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ถ้ายึดเชื่อของอัลลอฮฺผ่านกี่ร้อยพันปีนะก็ยังเหมือนเดิมยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมเพราะอุษานไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับนั้นยึดเชื่อของอัลลอฮไว้ก็คือยึดอุษานยึดการปฏิบัติ ต, ต, ตามหลักธรรมคาสอนของกุษานนะครับนี่ก็คืออายะที่หนึ่งร้อยห้าสิบห้านะในครั้งต่อไปชลล้อนละก็จะจบสุรละแล้วนะครับอีกสิบอายะ้ยหกสิบห้าน ะ, อ, าะนะอ่ะ س ب ح ا ن ك ل ل ه م أ و ب ح م د ك أ ش ه ا إ ل ا أ ن ت س ت ف ر ك ا ت و ب إليالسلام ع ل ي ك ورحمة الله وبركاته